กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งตั้งสถานีวิทยุกราบกลัวข่าวซอยร f อยเฟร้าพเจ้าพระมหาใบบูญอาพิปุนโนจากวัดป่าดอนหาโศกอำเภอหนองหานจังวัดอุดรธานีมาพบกับท่านบุฟังจุ่เป็นประจำทั้งสถานีวิทยุแห่งนี้เมื่อวานนี้แห่งนี้ ตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาดมุฟังข้าพเจ้าก็ได้นําเรื่องของย ม, มกะปาติหารหมาให้ดมุฟังได้ฟังกันในเรื่องราวนี้ก็มีที่ระบุไว้ในหลักฐานทางปฐมภูมิที่มาในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นพระสูตรใน ม, มัชฌิมนิการเนี่ยที่เขาระบุว่าพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเรื่องของคาถาผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญ ท, ที่นั่งอาสนะของเท้าสากัดเทวราชดัตงตัวนั้นเป็นหลักฐานดังผสมภูมิส่วนในทุติยภูมิคือในรุ่นหลังในส่วนที่เป็นอัตถกถาก็มีการขยายความไว้ว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงบนที่นั่งของเท้าวสากะเทวราชนั้นเนี่ยมีเหตุต้นผลปลายมาเป็นอย่างไรในซึ่งในตอนนั้นก็คือการที่พระพุทธเจ้า แสดงเรื่องของยะมะกะปาฏิหารเมื่อแสดงเสร็จแล้วก็ขึ้นไปจำพรรษาที่ชั้นดาวดึงเป็นสวรรค์อยู่ที่นั่นในสองตอนที่ผ่านมาได้ให้ดัมบูฟังได้ฟังถึงเรื่องของเหตุปรารบแรกเริ่มเดิ ม, ดมทีที่พระพุทธเจ้าห้ามแสดงปาฏิหารในพระว่าภิกษุปินโตละปารัตวาชะได้ไปใช้ฤทธิ์ในการที่ได้บาทไม้จันแดงมาจากเศรษฐีชาวเมืองรัชกฤือ ก็เป็นเหตุให้พระพรทธเจ้าห้ามการแสดงปาฏิหาริย์ในลักษณะนั้นก็จึงเป็นที่มาของการท้าการแสดงปาฏิหาริย์ของพวกเราปริพาชกพระพุทธเจ้าก็จึงทําปาฏิหาริย์ในการกระทําปาฏิหาริย์นั้นก็เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีในวันอังคารเราได้ฟังถึงลักษณะของปาฏิหาริย์ไปแล้วแังว่ามีท่อทานแห่งน้ํากับท่อไฟไหลออกมาสลับกันไปสลับกันไปอันนี้ซึ่งแสดงถึงฌานสมาธิ ในขั้นสูงทีเดียวในวันนี้เราก็จะมาฟังถึงเรื่องว่าเอาหลังจากแสดงปาฏิหาริย์แล้วพระพุทธเจ้าจะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงละในภาษานั้นเป็นภาษาที่7หลังจากที่เริ่มประกาศศ า, าสนาขึ้นไปแล้วทำอะไรบ้างในช่วงสามเดือนนั้นก็มีการแสดงอภิธรรมโปรดประมาณดาอันนี้คือตามหลักฐานมาในอัตกตาตรงนี้นอกจากนี้ก็ยังมีการเทศรรเรื่องอื่น อ, อ, อีกมากมาย ตัวพระองค์เองไปบินาบาต ท, ที่ภูเขาหิมพานเวลาอื่นก็มาแสดงธรรมบุคคลที่เขาเฝ้ารออยู่ด้านล่างก็ไม่ได้ไปไหน่มาเฝ้ารอตั้งปักหลักกันละ่ะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนจะรอพบพระพุทธเจ้าในช่วงสามเดือนนั้นท่านพระมหมาโมกขลานะก่อเทศให้ฟังอยู่ทางภาคพื้นดินจนกระทั้งวันออกปัญษาท่านบวชพระพุทธเจ้าก็ ลงมาที่เมืองสังกสานครแต่เพราะว่าท่านพระสร า, ารีบุตรพี่ชายใหญ่ของเราอยู่ที่นั่นก็เลยลงมาเจอกับอัครส า, าวกเบื้องขวาก็พูดคุยตามปัญหากันตรงนั้นก็จะมีข้อความที่เป็นวาทธาที่เราเคยได้ยินกันแหละ ว, ว่าโอ้ถ้าเป็นปัญหาในระดับของพระโสดาบันปุถุชนก็จะแก้ไม่ได้ถ้าเป็นปัญหาในระดับอนาคามี ปกโสดะบันกะส ก, กิทาคามีก็จะแก้ไม่ได้ไล่ขึ้นมาจนกระทั่งของพระอรหันต์ของเหล่าสาวกผููเป็นเอก80รูปนะมัเป็นของพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าจนกระทั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็จะไล่ความสามารถกันขึ้นมาเป็นลําดับลำดับไปแต่ามาฟังเรื่องราวของยมกาปาฏิหานตอนจบนี้แล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านผูฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญพี่ปุณโง่เรื่องของยมกาปาฏิหาน ตอนพระศาสดาเสด็จจำปัญษาในเช้นดาวดึงพระศาสดากาลังทรงทาปาฏิหาริย์อยู่นั่นแหละทรงรำพึงว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายทําปาฏิหาริย์ น, นี้แล้วจำปัญษาที่ไหนนอแหลเมื่อทรงเห็นว่าจำปัญษาในพพดาวดึงแล้วทรงแสดงอภิธรรมปีดก แกพระพุทธมานดาดังนี้แล้วทรงยกพระบาทขวาเหยียบเหนือยอดภูเขายุ ค, คันธรทรงยกพระบาทอีกข้างหนึ่งเหยียบเหนือยอดเขาสินเนรุวาระที่ย่างพระบาทสาก้าได้มีแล้วในที่68แปสนโยต์อย่างนี้ช่องพระบาทสองช่องได้ห่างออก เช่นเดียวกันกับการย่างพระบาท ต, ตามปกติไกลๆไม่พึงกำหนดว่าพระาศาสดาทรงเหยียดพระบาทเหยียบแล้วเพราะในเวลาที่พระองค์ทรงยกพระบาทนั่นแหละผู้เขาเหล่านั้นก็มาสู่ที่ใกล้พระบาทรอบไปแล้วในเวลาที่พระาศาสดาทรงเหยียบแล้วผู้เขาเหล่านั้น ก็ตั้งประดิษฐานในที่เดิมท้าวสักกะทอดพระเนรเห็นพระาศาสดาแล้วทรงน้หรีว่าพระาศาสดาจะทรงเข้าจำบัญญานี้ในท่ามกลางบรรทุกกำปนศิลาอุปการะจะมีแกเ่เราเทพพยดามากหนอแต่เมื่อพระาศาสดาทรงจำบรญญาที่นั่นเทพพยาดาอื่น จะไม่อาจาวางมือไว้ได้ก็แลบรรทุกกำพลศิลานี้ยาวห0สบโยต์กว้างห้าสิบโยตหนาส5บห้าโยตแม้เมื่อพระาศาสดาประทับนั่งแล้วก็คงคล้ายกับว่างเปล่าพระาศาสดาทรงทราบอัทยาศัยของเท้าเธอทรงโยนสังคติของพระองค์ไปให้กลุ่มพื้นศิลาแล้ว ทาสักะทรงดัมรีว่าพระศาสดาทรงโยนจีวรมาให้กลุ่มไวก่อนก็พระองค์เจอะประทับนั่งในที่นิดหน่อยด้วยพระองค์เองดังนี้พระศาสดาทรงทราบอัตยาัยของเท้าเธอจึงประทับนั่งทำบรรทุกคำผลศิลาไว้ภายในกนดจีวร น, นั่นเองประหนึ่งภิกษุ ผู้ส่งผ้ามหาบังสกุลทำต่างเตี้ยๆไว้ภายในขนมชีวรฉะนั้นขณะนั้นเองแม่มหาชนแลดูพระาศาสดาอยู่ก็มิได้เห็นกานั้นได้เป็นประหนึ่งเวลาพระจันทร์ตกและเป็นเหมือนเวลาพระอาทิตย์ตกมหาชนคร่ำครวญด้วยกาถานีิว่าพระาศาสดาเสด็จ ไปสู่เขาจิตกูดหรือเขาไกลลาดหรือเขายุคขันธรเราทั้งหลายจึงไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้โลกเชิผู้ประเสริฐกว่านระดังนี้อีกพวกหนึ่งคร่ำครวญว่าชื่อว่าพระศาสดาทรงยินดีแล้วในวิเวกพระองค์จะเสด็จไปสู่แคว้นอื่นหรือชนบทอื่นจะแล้ว พระทรงลอายว่าเราทำปฏิหารเห็นปานนี้แก่บริษัทเห็นปานนี้แบบ น, นี้เราทั้งหลายคงไม่ได้เห็นพระองค์ดังนี้แล้วก็กล่าวคาถานี้ว่าพระองค์ผู้เป็นปราฏิชงยินดีแล้วในวิเวกจะไม่เสด็จกลับมาโลกนี้อีกเราทั้งหลายจะไม่เห็นพระสัมพุทธเจ้าผู้โลกเชษผู้ประเสริฐกวานระดังนี้ ชนเหล่านั้นถามพระมหาโมกขลานาว่าพระศาสดาเสด็จไปที่ไหนครับแม้ท่านทราบอยู่เองก็ยังกล่าวว่าจงถามพระอนุรุทธาเถิดด้วยมุ่งหมายว่าคุณแม้ของสาวกอื่นๆจงปรากฏดังนี้ชนเหล่านั้นถามพระเทระอย่างนั้นว่าพระศาสดาเสด็จไปที่ไหนครับ พระนุรุตะเสด็จไปจาบรรษาที่บรรทุกกำพลศิลาในพบดาวดึงแล้วทรงแสดงอภิธรรมปิดกแก่พระมารดามหาชนแล้วจัดเสด็จมาเมื่อไหร่ขอรับพระนุรุตะทรงแสดงอภิธรรมปิดกตลอดสามเดือนแล้วจะเสด็จมาในวันมหาปวารณาวนเหล่านั้นพูดกันว่า พวกเราไม่ได้เห็นพระศาสดาจะไม่ไปดังนี้แล้วก็ทำที่พักอยู่ในที่นั้นนั่นเองได้ยินว่าจนเหล่านั้นได้มีอากาศนั่นเองเป็นเครื่องมุงเครื่องบังชื่อว่าเหงื่อที่ไหลออกจากตัวของบริษัทใหญ่ถึงเพียงนั้นมีได้ปรากฏแล้วแผ่นดินได้แหวกช่องให้แล้ว พื้นแผ่นดินในที่ทุกแห่งได้เป็นที่สะอาดทีเดียวพระศาสดาได้ตรัสสั่งพระมหาโมกขลนะไว้ก่อนทีเดียวว่าโมกลนะเธอพึงแสดงธรรมะแกบริษัทนั่นชุละอนาถาบินทิกะจะให้อาหารเพราะเหตุ น, นั้นชุละอนาถาบินทิกะแลได้ให้แล้วซึ่งข้าวต้มข้าสวสวย ของเคี้ยวของหอมระเบียบและเครื่องประดับแก่บริษัทนั้นทุกเวลาทั้งเช้าและเย็นตลอดไตรมาสนั้นพระมหาโมกลานะแสดงตามแล้ววิสัชนาปัญหาที่เหล่าชนผู้มาแล้วมาแล้วเพื่อดูปาฏิหารถามแล้วตอนพระาศาสดาเสด็จไปโปรดพระมารดา ในชั้นดาวดึงสลาดับนั้นพระศาสดาประทับนั่งในท่ามกลางเทวะบริษัททรงปรารบพระมารดาเริ่มตั้งอภิธรรมปิดกว่ า, า, า, ากุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยาคดาธรรมาแปลว่าทมเป็นกุศลทรมาเป็นอกุศลทำเป็นอัพยากริศเป็นต้น ทรงแสดงอภิธรรมปิดกโดยในยะนี้เรื่อยไปตลอดสามเดือนก็แลทรงแสดงธรรมอยู่ในเวลาพิขาจารย์ทรงเนรมิตพระพุทธเนรมิตด้วยทรงอธิษฐานว่าพุทธเนรมิตนี้จงแสดงธรรมชื่อเท่านี้จนกว่าเราจะมาแล้วเสด็จไปป่าหิมพาน ทรงเคียวไม้สีฝันชื่อนาคลตาบวนพระโอธ์ที่สานุนดาดนำบินบาตมาแต่อุตรกุรุตวีปได้ประทับนั่งทำพัฒกิจในโรงกว้างใหญ่แล้วพระสารีบุตรเทระไปทำวัดแด่พระาศาสดาในที่นั้นพระาศาสดาทรงทำพัฒกิจแล้วตรัสแก่พระเถระว่าสาริบุตร วันนี้เราพาสิทธธรรมะชื่อเท่านี้เธอจงบอกแก่ภิกษุห0 0นิสิตของตนได้ทราบว่ากุลบุตรห้ารเลื่อมใสยมะกปะปฏิหารบวชแล้วในสำนักของรรพระเถรรักพระศาสดาตรัสแล้วอย่างนั้นทรงหมายเอาภิกษุเหล่านั้นก็แลกรันตรัสแล้วเสด็จไปสู่เถวโลก ทรงแสดงธรรมาเองต่อจากที่พระพุทธนรมิตแสดงแล้วแม้พระเทระก็ไปแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในเทวโลกนั่นแลได้เป็นผู้ชำนาญในประกรณ์ทั้งเจ็ดแลได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะ ภิกษุเหล่านั้นเป็นค้างข่าวหนูห้อยอยู่ที่เงื้อมผาแห่งหนึ่งเมื่อพระเทเรสองรูปชงกรมแล้วท่องอภิธรรมอยู่ได้ฟังถือเอานิมิตในเสียงแล้วค้างข่าวเหล่านั้นไม่รู้ว่าเหล่านี้ชื่อว่าขันเหล่านี้ชื่อว่าธาตุด้วยเหตุสักว่าถือเอานิมิตในเสียงเท่านั้น จุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเทวโลกสเสวยทิพยาสมบัติสิ้นพุทธันดรหนึ่งจติจากเทวโลกนั้นแล้วเกิดในเรือนตระกูลในกรุงสาวัตถีเกิดความเลื่อมใสในยะมะกะปาฏิหารบวชแล้วในสำนักของพระเถระได้เป็นผู้ชำนาญในปรกรณ์เจ็ดก้อนกว่าภิกษุทั้งปวงแม้พระศาสดา ก็ทรงแสดงอภิธรรมโดยทํานองนั้นแหละตลอดสามเดือนนั้นในการจบเทสนาธรรมาพิสมัยได้มีแกเทวดาแปดมืนโกดแม้พระมหมายาก็ตั้งอยู่แล้วในโสดาปฏิผลตอนพระโมกขลานะเทระขึ้นไปทูลถามข่าวเสด็จลงบริษัท มีปริมณลสามสิบหกโยศแม่นั้นแหละคิดว่าในบัดนี้ไปในวันที่เจ็ดจะเป็นวันมหาปรวารฒนาส่วนเหล่านั้นจึงเข้าไปหาพระมหาโมกขลานะเตระแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าควรจะทราบวันเสด็จลงของพระศาสดาเพราะข้าพระชาทั้งหลายไม่เห็นศาสดาแล้วจะไม่ไปท่านพระ มหาโมกขรณะฟังถ้อยคำนั้นแล้วรับว่าดีละแล้วดำลงในแผ่นดินตรงนั้นเองอธิษฐานว่าบริษัทจงเห็นเราพู้ไปถึงเชิงเขาสิเนรุแล้วขึ้นไปอยู่มีรูปปรากฏดุจได้กําพลเหลืองที่ร้อยไว้ในแก้มนีเทียวขึ้นไปแล้วโดยท่ามกลางเขาสิเนรุดังนี้แม้พวกมนุษ ก็เห็นท่านว่าขึ้นไปแล้วหนึ่งโยต์ขึ้นไปแล้วสองโยต์เป็นตน้นแม้พระเทระขึ้นไปถวายบังคมพระบาทยุคนของพระสัสดาดุดเทรนไว้ด้วยเสียงกล่าวกราบทูลอย่างนั้นว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญบริษัทประสงค์จะเฝ้าพระองค์ก่อนแล้วไปพระองค์จะเสด็จลงเมอไรพระสัสดาโมกขลนะก็สาเบุตร พี่ของเธออยู่ที่ไหนพระมหาโมกขลนะข้าแถ่พระองค์ผู้เจริญท่านจำบรรษาอยู่ในสังกสานครพระชก า, าพระศาสดาโมกขลนะในวันที่เฉยแต่วันนี้ไปเราจะลงที่ประตูเมืองสังกะในวันมหาปรวรนาผู้ใครจะพบเราก็าจงไปที่นั่นเถิดก็แลสังกสานครห่างจากกรุงสาวัตถี ประมาณ30โยน์ในระยะทางเท่านั้นกิจที่จะต้องเตรียมสเสบียงย่อมไม่มีแก่ไกลๆเธอพึงบอกแก่คนเหล่า น, นั้นว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้รักษาอุโบสถไปดุดไปสู่วิหารใกล้เพื่อฟังธรรมเธอตอนพระพุทธองค์ทรงเปิดโลกพระเถระทูลว่าสาธุประชาคาแล้วได้ บอกตามรับสั่งพระศาสดาเสด็จจำพรรษาภาวณาแล้วประบอกแก่ท้าวสักกะว่าม่าบะพีธอารามภาพจะไปสู่ถิ่นของมนุษย์ท้าวสักกะทรงนรมิตบันไดสามชนิดคือบันไดทองคำบันไดแก้วมณีบันไ ด, นนดเงินเชิงบันไดเหล่านั้นตั้งอยู่แล้ว ที่ประตูสังกัสรานครหัวบันไดเหล่านั้นตั้งอยู่แล้วที่ยอดเขาสิเนรุในบันไดเหล่านั้นบันไดทองได้มีแล้วเบื้องขวาเพื่อพวกเทวดาบันไดเงินได้มีในข้างเบื้องซ้ายเพื่อมาหาพรหมทั้งหลายบันไดแก้วมณีได้มีในท่ามกลางเพื่อพระตถาคต พระศาสดาประทับยืนอยู่บนยอดเขาสิเนรุทรงทำยมะกกปฏิหารในการที่เสด็จลงจากเทวโลกทรงแลดูข้างบนแล้วสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแลทั้งหลายได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลกทรงแลดูข้างล่างสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วได้มีเนินเป็นอันเดียวกัน จนถึงอเบจีทรงและดูทิศใหญ่และทิศเฉียงทั้งหลายจักรวาลหลายแสนได้มีเนินเป็นอันเดียวกันเทวดาเห็นพวกมนุษย์แม้พวกมนุษย์ก็เห็นพวกเทวดาพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดต่างเห็นกันแล้วเฉพาะหน้าทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระชับพระรังศีไปแล้วมนุษย์ ในบริษัทซึ่งมีปริมณฑล36โยศแม้คนหนึ่งเมื่อแลดูสิริของพระพุทธเจ้าในวันนั้นแล้วชื่อว่าไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้มีเลยพวกเทวดาลงทางบันไดทองพวกมหาบรมลงทางบันไดเงินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงทางบันไดแก้วมณี เทพบุตรนักฟ้อนชื่อปัญจสิกขะถือผินสีเหลืองดุดผลมะตูมยืนอยู่นะข้างเบื้องขวาทำบูชาด้วยการฟ้อนแด่พระศาสดาลงมามาตาลิสังคาหกกะเทพบุตรยืนนะข้างเบื้องซ้ายถือของหอมระเบียบดอกไม้อันเป็นทิพนมันสการอยู่ทำบูชาแล้วลงมา เท้ามาหาพรหมกั้นฉัดเท้าสุยามถือพัดวาลิวิชณีพระศาสดาเสด็จลงพร้อมด้วยบริวาร น, นี้หยุดประทับอยู่ที่ประตูสังกสานครแม้พระสารีบุตรเทระมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วเพราะพระศาสดาเสด็จลงด้วยพุทธสิริเห็นป่านั้น อันท่านไม่เคยเห็นแล้วในการก่อนแต่นี้เพราะฉะนั้นจึงประกาศความยินดีของตนด้วยคถาทั้งหลายเป็นต้นว่าพระศาสดาผู้มีถ้อยคำอันไพเราะทรงเป็นอาจารย์แห่งคณะเสด็จมาจากดุสิตอย่างนี้เรายังไม่เห็นหรือไม่ได้ยินต่อใครในการก่อนแต่นี้แล้วตูนว่า ก็แต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้เทวดาและมนุษย์แม้ทั้งหมดย่อมกระยิมปรารถนาต่อพระองค์ลําดับนั้นพระาศาสดาตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้ประกอบพร้อมด้วยคุณเห็นป่านนี้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้ แต่เมื่อจะส่งแสดงธรรมจึงตรัสพระคถานี้ว่าพระสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นบาดกวนขวายในฌานยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบคือเนคขมะแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมกระยิมต่อพระสัมพุทธเจ้าผู้มีสติเหล่านั้นบาลีว่า เย ช, ชานัปะสุตตีราเนคขมูปะสเมระตาเทวาปิเตสังปิหยันติสัมพุทธานังสติมะตังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเย ช, ชานปะสุตาแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดควนคว้าในฌานหมายความว่าประกอบแล้ว ขวนขวายแล้วในฌานสองอย่างเหล่านี้คือลักคนูปนิชฌานและอารัมมณูปนิชฌาน้วยการนึกการเข้าการอธิษฐานการออกและการพิจรารณาบรรพชาอันผู้ศึกษาไม่พึงถือว่าในคำว่าในคำว่าเนคขมูปะสะเมรตาแปลว่า ยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบคือเนกขมะนี้ก็คําว่าเนคขมะนั่นพระองค์ตรัสหมายเอาความยินดีในนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบกิเลสคําว่าเทวาปิแปลว่าแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหมายความว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมคือปรารถนาต่อพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น คำว่าสติมะตังแปล ว, ว่าผู้มีสติหมายความว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าว่าน่าชมจริงหนอแม้เราพึงเป็นพระพุทธเจ้าหนนี้ชื่อว่าย่อมกระยิมต่อพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีพระคุณเห็นป่านนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยสติในการจบเทศนะ มาพิสมัยได้มีแก่สัตว์ประมาณ30โกรภิกษุ500สัตว์ที่ิหาริกของพระเถระตั้งอยู่แล้วในพระอารหัตตอนสังกสานครเป็นที่เสด็จลงจากดาวดึงได้ยินว่าการทำย ม, มะกะปาฏิหารแล้วจำพัญษาในเทวโลกแล้วเสด็จลงที่ประตูสังกสานคร อันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละแล้วแหละก็สถานที่พระบาทเบื้องขวาประดิษฐานณที่เสด็จลงนั้นมีนามว่าอาจารเจตยสถานพระศาสดาประทับยืนนที่นั้นตรถามปัญหาในวิสัยของปุถุชนเป็นต้นพวกปุถุชน แก้ปัญหาได้ในวิสัยของตอนเท่านั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระโสดาบันได้พระอริยะบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นก็เหมือนกันไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระอริยะบุคคลทั้งหลายมีพระสกทาคามีเป็นต้นพระมหาสาวกที่เหลือ ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระมหาโมกขลนะพระมหาโมกขลนะไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระสารีบุตรเทระได้แม้พระสารีบุตรเทระก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันพระศาสดาทรงแลดูทิตั้งปวงตั้งแต่ประจินทิศ สถานที่ทั้งปวงได้มีเนินเป็นอันเดียวกันทีเดียวเทวดาและมนุษย์ในแปดทิศและเทวดาเบื้องบนจดปรมโลกและยักษ์นาคและสุบันผู้อยู่นะภาคพื้นเบื้องต่ำประกองอัญชลีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชื่อว่าผู้วิสัชนาปัญหานี้ ไม่ได้มีในสมาคมนี้ขอพระองค์โปรดไคร่กรววในสมาคมนี้ทีเดียวตอนพระสารีบุตรเทระมีปัญญามากพระาศาสดาทรงนำรํำรีว่าสารีบุตรย่อมลำบากโดวยว่าเธอได้ฟังปัญหาที่เราถามแล้วในพุทธพิสัยนี้ว่าท่านผู้นิรทุกข์เธอมีปัญญารักษาตน อันเราถามถึงความเป็นไปของท่านผู้มีธรรมอันนับพร้อมแล้วทั้งหลายและพระเศขาทั้งหลายซึ่งมีอยู่มากในโลกนี้จงบอกความเป็นไปนั้นแก่เราดังนี้เป็นผู้หมดความสงสัยในปัญหาว่าพระศาสดายอมตรัสถามถึงปฏิปทาเป็นที่มาคือมรรคปฏิปทา ของพระเสขค่ะและอาเสกคะกเราด่านี้ก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังวังอัธยาศัยของเราอยู่ว่าเราเมื่อกล่าวปฏิปทานี้ด้วยทำข้อไห น, ไหนในธรรมทั้งหลายมีขันเป็นต้นจึงจะอาจถือเอาอัธยาศัยของพระศาสดาได้สารีบุตรนั้นเมื่อเราไม่ให้นัยยะจะไม่อาจแก้ได้เราจะให้นัยยะแก่เธอ เมื่อจะทรงแสดงนัยยะจึงได้ตรัสว่าสารีบุตรเธอจงพิจารณาเห็นความเป็นจริงนี้ได้ยินว่าพระองค์ได้ทรงดำริอย่างนี้ว่าสารีบุตรเมื่อถือเอาตยาใสของเราแก่จะแก้ด้วยความสามารถแห่งขันปัญหานั้นปรากฏแก่พระเถระตั้งร้อยในพันในพร้อมกับการประธานใน ท่านตั้งอยู่ในในัยะที่พระศาสดาประธานแก้ปัญหนา น, นั้นได้แล้วได้ยินว่าคนอื่นยกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียชื่อว่าสามารถเพื่อจะทันปัญญาของพระสารีบุตรเทระหาไม่ได้เลยนัยะว่าเหตุ น, นั้นแลพระเทระจึงยืนตรงพระพรักพระศาสดา บรรลือสีีนาดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อฝนตกแม้ตลอดกับทั้งสิ้นข้าพระองค์ก็สามารถเพื่อจะนับแล้วยกขึ้นซึ่งคะแนนว่าหยาดน้ำทั้งหลายตกในมหาสมุทรเท่านิยาดตกบนแผ่นดินเท่านิยาดบนภูเขาเท่านิยาตแม้พระศาสดาก็ตรัสกับท่าน พระสารีบุตรว่าสารีบุตรเราก็ทราบความที่เธอสามารถนับได้ชื่อว่าอุปมาเปรียบด้วยปัญญาของท่านนั้นย่อมไม่มีเห็นนั่นแลท่านจึงกราบทูลว่าทรายในแม่น้ำโคงคาพึ่งสิ้นไปน้ำในห้วงน้าใหญ่พึ่งสิ้นไปดินในแผ่นดินพึ่งสิ้นไปการแก้ปัญหา ด้วยความรู้ของข้าพระองค์ย่อมไม่สิ้นไปด้วยคะแนนดังนี้มีคาอธิบายไว้ดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้เป็นที่พึ่งของโลกก็เทาว่าเมื่อข้าพระองค์แก้ปัญหาข้อหนึ่งแล้วบุคคลพึงใส่ทรายมเมล็ดหนึ่งหรือหยาดน้ำหยาดหนึ่งหรือดินร่วนก้อนหนึ่ง เมื่อข้าพระองค์แก้ปัญหาร้อยหรือพันหรือแสนข้อพึ่งใส่นนสะะนะสใคะแนนทั้งหลายมีสายเป็นต้นทีละหนึ่งละหนึ่งณส่วนข้างหนึ่งในแม่น้ำคงคาคะแนนทั้งหลายมีสายเป็นต้นในแม่น้ำคงคาเป็นต้นพึงถึงความสิ้นไปเร็วกว่าการแก้ปัญหาของข้าพระองค์ย่อมไม่สิ้นไปภิกษุแม้มีปัญญามากอย่างนี้ ก็ยังไม่เห็นเงื่อนต้นหรือเงื่อนปลายแห่งปัญหาที่พระาศาสดาถามแล้วในพุทธวิสัยต่อตั้งอยู่ในนยั์ที่พระาศาสดาประทานแล้วจึงแก้ปัญหาได้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนั้นแล้วสนทนากันว่าแม้ชนทั้งหมดอันพระาศาสดาตรถามปัญหาใดไม่อาจแก้ได้พระสารีบุตรเถระ ผู้เป็นธรรมเสนาบดีผู้เดียวเท่านั้นแก่ปัญหานั้นได้พระศาสดาทรงสับถ้อยคำนั้นแล้วตรัสว่าสารีบุตรแก้ปัญหาที่มหาชนไม่สามารถจะแก้ได้ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในพบก่อนเธอก็แก้ได้แล้วเหมือนกันนนนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมา รัชชาดกนี้โดยพิสดารว่าคนที่มาประชุมกันแล้วแม้ตั้งพันเป็นกำหนดคนเหล่านั้นหาปัญญาไม่ได้พึ่งคร่ำครวนตั้งร้อยปีบุรุษได้ผู้รู้ชัดซึ่งอัตถแห่งปาสิทธิ์ได้บุรุษผู้นั้นซึ่งเป็นผู้มีปัญญาคนเดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าดันางนี้แหละ เรื่องยมกะปปาเดหาน